بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا و ا ل س ل ا م على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه و ا أ ج م ب ع ا ن يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سورة ا ل ن ع ا م الله يكليها فلولا إذ جاءهم سنا تضرعوا ولكن ق س ت قلوبهم เมื่อการลงโทษของเราได้ไปยังพวกเขาแล้วเขาน่าจะวิงวอนขอรุแก่โทษกับเราแต่แต่หัวใจของเขากลับแข็งกระด้างแสดงว่าบทลงโทษต่างๆที่อัลลวฮฺสุลตานส่งมายังมนุษย์ ย่อมมีป้่หมายย่อมมีมีสารอะไรสักอย่างที่เราต้องการบอกกล่าวกับเราในสถานการณ์สถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้แม้ว่าจะในประเทศเราหรือต่างประเทศพวกเราก็ไม่ควรมองข้าม มีผลกระทบมาถึงเนี่ยไม่กระทั่งการเรียนรู้ของเราเลยผมขอยกตัวอย่างสงตัวอย่างบารานีนเขาเขาจะตรวจปูพรมหมานะปพราก็ทีแล้วในตรวจนี่ก็จะอจออันนี้ก็จะปูพรม อันนี้ผลผลปูพมนี่มาแล้ววันแรกเนี่ยเก้ร้อยกว่าคนเ น, น, นี่ย แ, แนวโน้มว่าจะขึ้นเป็นกี่หลักนนี้นี่9ก0าร3สามหลักใช่ปะ่ะ แ, แนวโน้มว่าจะขึ้นเป็นสี่หลักเขาจะปูพคมส่งสากคน่ะนะซึ่งน่าจะเป็นแหล่ง แพเชื้อของแรงงานสังเกตป่ะว่าระรอกที่สองเนี่ยมันมาในช่วงพวกเราแทบทุกคนระดับผู้ปกครองระดับคนชั้นสูงทุกคนรากกะแทบนอนนิ่งใจ สบายใจลจนกระทั่งเดินไปไหนแต่ไหนนี่ก็ดูเหมือนว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีโรคระบาดคนละคนละพื้นที่จากโลกที่เขาเรียกกันดุนยานะคนลยุคกันคนละดาวเลยคนละจริงมาในช่วงที่เราแบบว่าแอบสบายใจกันมิดที่ดี แม้จะไม่เคยใส่กันแล้วมาตรการต่างๆก็พ er ังยับอัลลอฮฺบอกว่อตาฮฺมุลอาザบมอีห์ซุลัชูรุอาซาบุก็คือลทษนมามาจากมินไหสูจากทิศหรือจากสถานที่ที่เขาไม่รู้ตัวไม่รู้สึก ไม่รู้สึกตัวก็คือคนส่วนมากก็เป็นคนที่ไม่รู้อินูอินิเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงไม่เกี่ยวคนส่วนมากนะใช่ไหมคนส่วนมากก็ไม่เกี่ยวกับสถานบันเทิงไม่เกี่ยวกับบ่อนพนัพ น, น ไ, มไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แกปรากฏว่าเรื่องมันก็จะเกิด เหมือนแระรอกแรกเหมือนกันคนส่วนมากก็ไม่ได้ดูมวยชอบมวยแต่ไม่ดูมวยเออบังเอิญแต่หากว่ามีสองคนชคชคกันปากสอนนี่ก็อาจจะดูได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาจะตั้งใจจะไปดูมวยอ่ะนะ ม, มันไม่ไม่ใหญขนาดนั้นมินไฮสุดแล้วดูที่ไม่รู้ตัวคนส่วนมากนี่ไม่รู้ตัวมาจากไหนอ่ะ มาจากมาจากมาจากแหล่งที่ไม่น่าคาดคิด่าจะมาจากเขานี่คือนี่คือเงื่อนไขของอาสาบนะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะมั่นจะได้เลยว่ามันเป็นอาสามันเป็นการลงโทษฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเรารอบแรกแล้ว ร, รอบที่สองสำหรับบ้านเรานะเป็นอาสาเป็นการลงโทษชัดๆมันครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข ลงโทษคนที่ทําความผิดทําบาปและคนที่ไม่รู้อินูอินเนอินอินเน่โดนไปด้วยอัลบลีนอะฺเระวังฟิตนะการลงโทษที่จะไม่ประสบไม่โดนเฉพาะคนที่รุนแรมคนที่ทำทำผิดถ้ามันโดนหมดมิให้สุล่ายโชรุมาจากไหนจากแหล่งที่ไม่เราไม่รู้ไม่แค่ไม่คาดคิด เราจะอาต้นต่อของโรคระบาดนี่ก็เหมือนกันมาจากแหล่งไหนก็ที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะมาจากนั้นนี่ในบ้านเรานะในบ้านเราถ้าต่างประเทศยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยกําลังประชุมกันนี่ในช่วง น, นี้ช่ว ง, งที่เรากำลงังสองตับซียเนี่ยเขากําลังประชุมกันอยู่ ว่จะปิดประเทศรอบที่สามประเทศไทยเนี่ปิดกี่รอบอนะ่ะรอบเดียวการเสิ่นี้จะปิดประเทศรอบที่สามอ้ารอบที่หนึ่งไม่ได้เรื่องรอบที่สองไม่ได้เรื่องเขาะการเมืองว่าจะปิดเสียได้ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของแม่ของจะโทรไปบอกว่ายกเลิกกฎหมายบัตรศพที่ที่ห้ามคุมนิกออมนี่และลองลองดู มิชอพูดคาว่าลองลองกาลังกงบอกลาลาอ้าบสุนารเขาน่าจะเขาน่าจะกลับนืกลับเนื้อกับตัวแล้วก็ขอรู้กันตัปไทยเนี่ยโดนโรคระบาดแบบนี้ครั้งแรกกันน่าจะสานึกนะว่าเหตุการณ์มันมาจากไอ้แหลงที่แหลงที่มันม่มัน ไม่อยากจะบอกไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใชแค่ผิดกฎหมายเนะี่ยมันผิดศีลธรรมผิดกฎผิดทุกอย่างเลยนะเขาน่าจะสํานึกแล้วก็เปลี่ยนเชิงโครงสร้างหมดเลยนะหมดเลยนะไม่ใชเรื่องไข่มุ้ยอย่างเดียวนะใครจะเป็นเจ้าของกระดานมไม่รู้แหละไข่มุงไข่มุ้ยเพราะเพราะกีร า, า ม, มวยบ้านเราอ่ะนะถือว่าฮ า, ามนะศิละปะศิละปะ เรียนรู้ต่อสู้เนี่ย น, นี้ไม่เป็นไรแต่ดูมวยอย่างที่บ้าเราดูเนี่ยคือทําร้ายกันนะนะไม่ต่างอะไรกับไก่ชนวัวชนอันนี้คนชนเอาไก่มาจิกกันเอาเป็นเอาตายเลยนะเอาวัวมาชนกันเอาเป็นแล้วก็เอาคนมาเอาเป็นเอาตายกันแล้วคนดูก็เชียร์เล่นพนันกันทั้งทั้งระบบเลยนะทั้งระบบเลย บากี่กี่กี่เท่าละ่ะแทนที่จะสํานึกแล้วก็เปลี่ยนเนโะครงสร้างเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดูว่าเราสํานึ ก, กนเราเปลี่ยนแปลงไม่มีดั้นจะมาถามว่าแล้วมันจะมันจะถ้าเป็นแบบนี้ถ้ายังเป็นกันแบบนี้อนะรอเถอะเรานี่ก็จะไม่เก่งไม่เก่งกว่าฝรั่งเศสอาจจะมีปิดประเทศทีครั้งที่สองครั้งที่สมเพราะอะไาไม่รอดนะ มันไม่มีผลนะประเทศฝรัง่งเศสก็ไม่เลิกก็ไม่สำล็กนี่วันนี้ขาฉลองครบร้อยล้านใช่ปะครบร้อยล้านสองแสนที่ผมได้ได้เกินเรืองต้นเนี้ย มันก็เกี่ยวข้องกับอายะห์้าสิบเก้าที่เราได้แล้วสุภานะอัจจาละ่ะให้คุรอ่านเอี่าเป็นเป็นสารที่เตือนมนุษยชาติทั้งหลายเตือนทุกคนเตือนมุสลิมและก็คนหนึ่งมุสลิมโอกาสคนที่จะอ่านกุรอ่านก็มีทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมความสมควร สำหรับมุสลิมผู้สรัทธานะซึ่งจะมีโอกาสอ่านคุออานมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมถูกต้อไหมความสมควรนะนะสำหรับมุสลิมที่จะรับข้อเตือนจากคุออานมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม อ, นนอันนี้ตกกะเป็นบสมาการที่มันไม่ต้องมันไม่ยากอ่ะมันไม่ยากหมอที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเขาต้อง เป็นคนที่แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเโรคเรื่องโรคระบาดเขาต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นใช่ไหมแท้พอเห็นหมอที่เคร่งคัดในเรื่องทำความสะอาดในเรื่องใส่แมสในเรื่องมีระยะห่างปกติไหมปกติแต่ถ้าจะไปเจอหมอดูหม อ, อถูกจับที่บ่อนคาสิโนที่บ่อนพนัน หมอถูกจับสนามบูยอย่างเงี้ย น, นี่ผิดปกติผิดปกติเห็นหมอหมอสุบุรีจัดอย่างเงี้ยคนทุกคนเนี่ก็ต้องแปลกใจใช่ไหมต้องแปลกใจแต่ในขณะเดียวกันที่อัลลอฮฺเตือนหมายถึงว่าใช้คุรอานในการเตือนสติผู้ศรัทธา ให้ห่างไกลจากบทลงโทษจากข้อห้ามจากสิ่งที่อัลลอ์กรุดกริว้วนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะหมดโอกาสหรือโอกาสเขาจะน้อยกว่ามุสลิมในการที่จะรับสารตังนี้ เราได้มีโอกาสอ่านว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วคนนีไ้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจว่าเขาโอกาสน้อยกว่าทาไมเขาไม่ใช่มุสลิมเรื่องอะไรจะมาอ่ทุกต้องเราเราเราคิดคิดในใจนะเขาเป็นมุสลิมไงเราก็ต้องอ่านเขาไม่เ้เขาเขา อ, อ, อะไรที่อะไรที่จะทำให้เขาต้องอ่านเหมือนเรา ตัวเขาเนี่ยคนนี้ไม่ยู่มุสลิม嘛นะเขามีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องแสวงหาค้นหาความจริงและสันติธรรมเขามีหน้าที่อยู่แล้วการลองสลับตำแหน่งลองนะลองคิดดูถ้าเขาเป็นเราแล้วก็เราเป็นเขา แล้วเราก็มีหน้าที่ในการค้นหาความจริงทําไม่ได้ค้นหาตกลงเรา ส, สมมติธานไว้ก่อนนะว่าเราไม่ยู่มุสลิมนะมีหน้าที่ในการค้นหาความจริงแล้วไม่ได้ค้นหาแล้วก็พอไปวันเกียรมะเราบอกอ้าวทำไมไม่อ่านกุรานเราจะตอบอยางไงก็ไอ้วกมุสลิมมา้า มันไม่ปอนบอกเราอันนี้ใครพูดอันนี้ใครพูดเรานะเพราะเราบอกแล้วสลับสลับนั่นเราเป็นข่าวแล้วนะเราเนี่ยพูดเราจะเป็นคนพูดเองคือเราจะไม่ไม่ยอมรับบาไม่ยอมรับบาเราจะต้องหา หาคนมารับบาปกับเราใครมุสลิมคำถามวะแล้วก็มุสลิมแล้วมีเหตุผลไหมที่จะโยนบาปให้มุสลิมมีเหตุผลไหมคือถ้าหากว่าคนไกรในการที่จะรับรู้คนไกรในการที่จะรับรู้ความจริงเสจ็จทำจะต้องผ่านมุสลิม แล้วก็คนที่ไม่ย่มุสลิมเนี่ยพลาดโอกาสในการที่จะรับรู้ความจริงสืบเนื่องจากความบกพร่องของมุสลิมแน่นอนอันนี้เหตุผลเต็มๆเลยนักเรียนเข้าห้องสอบมีข้อสอบอันหนึ่งอะ น, นะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรหรือมันอยู่ในหลักสูตรแต่ครูไม่ได้บอกว่าอันนี้มันอยู่ในหลักสูตรหรือครูบอกว่าอันนี้นอกหลักสูตรอันนี้ไม่สอบ แต่ดันไปเจอข้อสอบนักเรียนต้องร้องเรียนไหมแล้วจะพูดยังไงครูไม่บอกและก็น่าฟังไหมน่าฟังดีครูไม่บอกน่าฟังมีเหตุผลแสดงว่าหน้าที่ของมุสลิมในการที่จะให้คนนี้ม่ย่มุสลิมเนี่ยรับรู้ความจริงเพื่อ ให้คนไกหรือกระบวนการค้นหาความจริงเนี่ยมันครบถ้วนมันสมเหตุสมผลหน้าที่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไตร่ตรองตัวเองว่าได้ทำเรียนทำมากน้อยแค่ไหนทำไมอ่ะที่พูดนี้ทำไมอ่ะเพราะการที่เราจะต้อง ตรวจสอบหน้าที่ว่าทำหรือยังไม่ทำเพราะมันจะมีผลกับความน่าฟังของเหตุผลของคนที่ไม่ได้ศรัทธาในวันเกียมะเมื่อเขาเมื่อเขาอุทรกับนรสุภาณวุาแล้วก็ ไม่มีใครมาบอกผมพยายามแล้วไม่มีใครมาบอกผมพยายามค้นหาแล้วคนที่เป็นมุสลิมเจ้าของสศจธรรมไม่ได้ทำหน้าที่ mm. เหตุผลเนี่ยมันจะได้ไม่น่าฟัง คือที่เราจะทําเนี่ยไม่ใช่ทําไม่ใช่เผยแพร่แล้วก็แล้วก็บอกความจริงไม่ใช่บอกคือเขาจะได้ไม่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่คือประการแรกเนี่ยเราทําเราจะได้ผลอันแรกนี่ผลแรกเพื่อเราจะได้พ้นบาปเราจะได้ถือว่าได้ทําหน้าที่ก่อนนิด น, นิอันแรกเลยแต่เหตุผลที่สองที่มันจะต้องตามมาโดยปริยายเนี่ยถ้าเราทําหน้าที่แล้ว่นะก็คือ คนที่จะมาอ้างวันเกียรมะกับคนใกล้ตัวเขาเนี่ว่าเขาไม่บอกกันนะเขาจะไม่มีข้ออ้างหรือข้ออ้างเขาเนี่ยจะไม่ฟังจะจะถูกปัฏิเสธหมายถึงว่าไม่ไม่รับผู้โทษไม่ฟังอัลลอฮฺจะถามเอ้าแล้วก็บันดารสุลไม่เคยมายังพวกเจ้า ทยอยไปยังพวกเจ้ามาเตือนเพราะรู้บานำใช่แล้วใช่แล้วมันารสุลีมาเพราะอัลลอฮฺว่ามาคุณมะมะฮะดิบินฮัตตะนบ่าวฮะรัลเราจะไม่ลงทุนในเรนี้วันเกันเาฮัตตะนะบ่าวก็จนก็จะมีศาลแต่เราละสุลมีศาสนาทูตแทนศาสนาทูนียฉะนั้นไม่มีใคร ที่จะบีบบังคับอัลลอฮ์ سبحانه และในด้านเหตุผลนอกจากว่าสถานภาพของเขาเนี่ยเป็นแสนภาพที่อัลลอฮ์ سبحانه และได้กำหนดด้วยพระประสงค์ของพระองค์เองว่าสาภาพแบบนี้เนี่ยอนุ่ไม่ลงทูดแต่จะอ้างเหตุผล ทั้งนั้งที่กลไกเนี่ยอัลลอฮ์สุลฮานะวะดาลไม่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดให้ให้เป็นเหตุผลสาหรับเขาเขาไม่สามารถเอามาอ้างได้กับอัลลอฮ์สุลฮานะวะดาและนี่คือความหมายหนึ่งของไห้ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่า ว่าพวกเขาได้หนีพ้นไปหนีพ้นไปจากหมายถึงว่าจากการลงโทษในเมื่อสารของอลณะสุภานวตาได้ถึงพวกเขาแล้วในเมื่อความจริงมันปรากฏอย่างง่ายดายให้พวกเขาสามารถค้นหาพบเจอโดยไม่มีอุปสรรค ถ้าทำได้นะอย่าคิดว่าเขาจะหนีพ้นไปทําไมผมอธิบายอายะนี้โดยเริ่มต้นจตนารณที่ของเราสิคุณก็เคยบอกกับพี่น้องว่าอุลมามะตับซีริเขาบอกว่าทุกอายะ ทุกอายาเนี่ยจะมีภายในและกับภายนอกบางท่านก็อธิบายเขาบอกว่าทุกอายาเนี่ยจะมีมุมหรือมีในที่เรียกกันในยะมีในที่เกี่ยวกับเราและกับในที่เกี่ยวกับคนอื่นมุมเกี่ยวกับเราและมุมเกี่ยวกับคนอื่นอายาที่เกี่ยวกับกาเฟรอยากคิดว่าออมี คงกาฟลบุตดิ you own own ่งกาฟน้เราไม่เกี่ยวของอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ะนั้นถ้าเราได้อธิบายอายะนี้อายะอายะาซอายะเนี่ยตามบทเลยนะเวลานั่นลดีนะกัฟรบักูละบันดาูปฏิสถานนั้นจงอย่าได้คิดไป่ถงขั้อมาพูดถึงใครผู้ปฏิเสธสถานเราเกี่ยวไหมเราไม่เกี่ยว แต่พอมานั่งคิดในอีกมุมหนึง่งอย่าคิดว่าเขาจะพ้นไปที่ที่เขาจะไม่หนีพ้นเนี่ยหมายถึงว่าวนเกียร์มากนี่นะเขาหนีไม่พ้นเนี่ยหมายถึงว่าต้องลงโทษลงโทษนี่ก็หมายถึงว่าเขาเขาไม่ครุบเงื่อนไขของคนที่จะถูกยกเว้นถูกยกเว้นการลงโทษแล้วถ้าไม่ครบเงื่อนไขแล้วอะไรคือเงื่อนไข นี่คือรานี่คือในนี่คือนี่คือนี่คือมุมหนึ่งของอายะเนี่ยที่มันอดคิดไม่ได้เนี่ยอดคิดไม่ได้ว่าในในทุกบทลงโทษเนี่ยคนที่ทํำบาปคนที่ทําความผิดเนี่ยเกี่ยวกับบทลงโทษนั้นๆแล้วก็คนอื่น ที่ไม่เกี่ยวนี่นะอาจจะเกี่ยวทางอ้อมก็ได้ดังนั้นการศาสนาเราก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างเช่นที่ดิฉันมาคืออย่ามุสลิมท่านนบีสุลลัลลนาะฮะลัยอุสัลละมันได้ละวิซริงพูดได้แนะนำสู่ความผิดอย่างหนึ่งอย่างหน كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبعه خود أ ร ر บผลบาปผลละบาปของความเห็นนี้เหมือนบาปคนที่ทำอันนี้นี่ลึกซึ้งมากคนที่จะรับบาปนี่นะเขาไม่ได้ทำบาป คนที่รับบาปนี้เขาไม่ได้ทำบาปคนที่ทำบาปนี้คนอื่นแต่บาปของเขาเนี่ยอาจจะไม่มันคนละประเภทกับบาปนั้นเลยเช่นคนหนึ่งไม่กิน่อกเบีย้ยแต่เชิญชวนให้คนทำสัญญา่อกเบีย้ยคนหนึ่งไม่ ไม่ไม่ซื้อประกันแต่ขายประกันให้คนอื่นไอ้พวกที่ไอ้ที่มันแจกไพ่เนี่ยพวกนี้มันเล่นนะฮะพวกนี้มันไม่เล่นเลยพวกนี้มันไม่เล่นเลยแล้วมันทำอะไรมันเ อ, อื้อมันแจกไพ่ให้อ่ะมันแจกไอ้พวกไอ้ไอ้ของเล่นนะ่ะของการพนันนะ่ะ อ้ส่วนประกอบของกระบวนการทั้งหมดคนที่เล่นเนี่ยคือใครคืคนนี้นั่งรอมตุคนที่แชร์บาปความผิ ด, ใ ห, ดหให้ไปดูนู่นให้ไปดูนี้ตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูนะแต่เขาอาจจะอยากดังตัวอย่างคนที่ชอบดังแล้วก็เริ บ, บาปเละเลยแล้วก็เป็นเป็นแฟชั่นแถเนี้ แั้ก็ดูเหมือนวัยรุ่นเขาทุ่มเทที่จะที่จะสวงหาตำแหน่งที่มีชื่อเสียงแบบนี้เพราะมันมีทั้งความดังโดดดังแล้วก็ไรายได้ด้วยยูทิวเบอร์เดี๋ยนี้กำลังฮิติมากทำทำยังไงจะได้เป็นยูทิวเบอร์ ที่ประสบความสุขร็คนต้องติดตามเยอะพอ YouTube มันดูแล้วเนี่ยเองมีมีคน Follow เยอะคนติดตามเยอะนี่คือเหยื่อของมันเหยื่ออะไรเหยื่อโฆษณามันขายโฆษณาจากใครก็จะคน Follow เรา คนโฟลโล่เราเนี่ยล้านคนอันตรายเพาคนนี้เนี่ยหาหาคนงี้แล้วเราจะให้คนโฟลโล่เยอะยังไงเนื้อหาต้องคลิปคุ้นต้องเป็นความจริงตรงไปตรงมานี่แหละโฟลโล่โฟลโล่เยอะล่ะโฟลโล่เยอะไหมยิงงย่งโป้เยอะยิงย่งโฟลโล่เยอะยิงสนุกสนุก ถึงจะไร้สาระไม่เป็นความจริงจนะเป็นเรื่องเมคเป็นเรื่องเฟกเรื่องที่มันมันปรำปรานี่นะนะ ย, ยิงโฟลวเยอะบางทีเนี่ยเข้าไปดูพวกยูทูบเบอร์เนี่ยหัวข้อกับเนื้อหานี่คนละเรื่องเลยเพราะหัวข้อนี่มันเป็นศิลปะศิลปะในการดึงคน ในการดึงคนดึงคนเนี่ยให้เข้าเข้าไปดูออปรากฏว่าไอท้ไอที่เองเขียนแล้วก็ดึงคนคนละเรื่องทำยังไงให้มีคนโฟโลเยอะส่วนมากหมายถึงว่ามวลชนส่วนมากเป็นคนที่ชอบสาระหรือไม่ชอบสาระมวลชนส่วนมาก ก็เป็นคนทีชอบเรื่องไร้สาระฉะนั้นเ ข, ข, ขาก็เขไม่สามารถพูดอย่างนั้นนะแต่มันมันก็คือมันก็คือหลักการของการเรียกโฟลว์เยอะเนี่ยโดยปริยายเนะี่ยอยากจะให้โฟลว์เนี่ยเองเอ e n สนอเรื่องที่มันไร้สาระยิ่งไร้สาระยิ่งมีคนเยอะทําไมพวคนส่วนมากชอบเรื่องไร้สาระ ลองเสนอเรื่องเรื่องที่มีสาระดิผมไปดูนะนักวิชาการบางคนเนี่ยที่เสนอโอเรื่องที่แบบาเป็นวิชาการแล้วก็เป็นแมบว่าเรื่องแบบเนื้อเนื้อเลยนะคนติดตาน้อยมากเลยยิ่งเป็นเนื้อหาวิชาการที่แบบว่าต้องที่มันค่อนข้างหายากแล้วก็คนที่รวบรวมเนื้อหานี่เห็ดเหนื่อยมากนะ ยิ่งคนติดตามน้อยและยิ่งเรื่องที่มันไร้สาระที่มันไม่ไม่มีอะไรเลยนะตะกี้กำลังบอกว่าการนำเสนอที่มันเป็นเหตุผลและเป็นข้ออ้างสำหรับคนที่สวงหาความจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมี เพราะแม้กระทั่งอาชีพที่เป็นเป็นการเผยแพร่เนื้อหาอะไรก็ได้อะนะไม่ใช่เนื้อหาศา ส, สนาเียอาชีพเผยแพร่ก็คือนักสื่อมวลชนเนี่ยนักสื่อมวลชนเขาไม่สามารถที่จะบังคับตัวเอง ว่าจะต้องมีจัญญาบรนสำคัญที่สุดในการนำเสนอข้อมูลกับมวลชนนั่นก็คือเรื่องเรื่องการที่ต้องนำเสนอเรื่องที่มันเป็นสาระนี่ขนาดนักสื่อสารมวลชนทั่วไปนะทั่วไปเนี่ยเบอก็ต้องเหมือนก็ต้องมีต้องมีบ้างต้องมี อะไรที่มันฟุ้งเฟ้อะไรที่มันอะไรที่มันเกี่ยวกับกิริยของคนบ้างน่ะถ้าเราเปิดช่องทีวีวิทีโเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเนื้อหาสาระส่วนมากของรายการนะ่ะนะก็จะเป็นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์ด้านศีลธรรมมากนะักข่าวสาร กีฬาและบันเทิงถ้าไปดูแล้วก็ข่าวสารเนี่ยข่าวอีช่วงในพวกช่องทีวีวาเลนเซียนะข่าวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์น้อยที่จริงแต่ส่วนมากเนี่ยคือบันเทิงจะบางช่องนี่ก็คือบันเทิงทั้งช่องทั้งช่องหมดเช่องหนังช่องละครยิงเดี่ยวแล้วถ้าไปดูข่าวะนะ ก็จะเป็นก็จะเป็นข่าวที่แบบว่ามันไม่ก่อให้เกิดปัญญาฮ้ไม่ก่อให้เกิดปัญญาวัวเกิดขึ้นที่อุดรสามขาเนี่ยเปียนชงก็เหมือนนั่นสามขาเปียนไปอีกเอาไก่สองหัวไอ้เปียนอีกอะไรแ บ, บนั้น แล้วก็ผมไม่รู้นะแต่ผมก็ดูพยายามดูดูข่าวทั่วโลกนะน่าจะเป็นอัตรายของบ้านเราเรื่องเรื่องนินทาของชาวบ้านไอคนน้คนนี้ทุกตีภรรย า, าคนนี้ฆ่าหัวคนนี้ข่าวพวกเนี้ยสังเกตนะเยอะใช่ไหมอันนี้เขาจะได้กันข่าวของชาวบ้านฮะ เรื่องของชาวบ้านาวันข่าชาวบ้านมันไม่ได้ถูกเรียกไม่ได้ถูกแบ่งเป็นหมวดอาชญากรรมมันเรื่องเรื่องเรื่องการทําบาปของคนนะ่ะคือถ้าเราจะเราจะเรียกเรียกให้มันตรงไปตรงมานะคนเขาทาบาปันานะคนนี้ติดยาแล้วก็ไปทุบตีแม่เขาอันนี้เรื่องอะไรเคยเห็นไหมเอามาดูกันหน่อยเรื่องอากตันยูต่อพ่อแม่เรื่องนี้นะคุณพอเคยได้ยินไหม แบ่งมวดแบบเนี้ยมามาฟังกันหน่อยเรื่องเรื่องเนรคุณพวกเนรคุณนะพวกเนรคุณพ่อแม่คนติดเสปยาแล้วก็ทุกตีพ่อแม่คนที่เสปยาแล้วก็ทุกตีเมียทุกตีลูกอะไรเงี้ยมาฟังกันว่ม่เขาจะเรื่อ ง, องมาดูเรื่องเรื่องชาวบ้านหน่อยชาวบ้านแล้วมันไม่บังเอิญนะว่าไอ้ข่าวพวกเนี้มันจะมาหมาเยเลขหนึ่งเลย แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นจุดความต้องการสำคัญของคนที่บริโภคบริโภคสื่อจนยธบรของของสื่อมวลชนทั่วไปในการที่จะในการที่จะยืนยันว่าการนำเสนอของเขาต้องเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าคนส่วนมากเขาไม่เอาด้แต่จนยิยธรรของเขานี่ต้องทำต้องทำแบบนี้มีกี่ องค์นะแม้กระทั่งช่องข่าวเสนอข่าวตกลงเสนอข่าวนะเเสนอข่าวนี่แต่ทําไมต้องเลือกคนที่เสนอข่าวนี่ต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นการาต้องเป็นต้องเป็นคนสวยต้องเป็นต้องแต่งตัวแบบนั้นทำไมถ้เาเกิดถ้คนถ้าคนที่มาอ่านเป็นคนแก่หรือคนหน้าตาไม่ดีแต่เสียงชัด พูดชัดถ่อยชัดคําพูดชัดอ่านข่าวเพราะคนที่เขาจะฟังขา่าวอยากจะรู้เนื้อหาของข่าวเนี่ยเขาไม่อยากจะชมไม่อยากจะดูหน้าตาเสรีละของคนที่อ่านข่าวแต่ทำไมเราเห็นว่ามันมันเป็นมันเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยจึงต้องต้องเป็นข้อตักเตือนที่รัศมีพานววดานะไม่ได้เตือน คนที่จะหมดปัญญาในการที่จะอ้างเหตุผลจากการไม่ถูกลงโทษวละซบั น, นัละดีนฟารุซาบักุบันนาูปัดอิจิสตานันจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดพวกเขาได้หนีพ้นไปถ้าเขาหนีไม่พ้นเนื่องจากว่าเขาไม่มีข้ออ้างที่จะอ้างกับอัลลอในวันเกียรมา ไม่มีข้ออ้างาเขาเขาไม่รู้ไม่มีใครมาบอกถ้าเขาไม่มีเต่านะถ้าถ้าปรากฏว่าในรอบๆหรือบริเวณผู้ปฏิเสธานเหล่านี้นะก็จะมีบางคนที่เขามีหน้าที่ต้องเอาความจริงเนี่ยไปเสนอกับเขาไปบอกเล่ากับเขาไปเผยแพร่กับเขา แล้วไม่ได้ทาหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเราจะหนีพ้นไหมเราก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเราก็หนีไม่พ้นท่า น, นั้นผมผมพูดอยู่เสมอนะท่านแต่ผมสอนคุตรรัานสอนความหมายคุตัานเราเรียนรู้คุตัานไม่ไ้เรียนรคุนให้ตัวเราคนเดียวนะ เราเรียนรู้คุตอ่านจะได้เข้าใจสารที่มาจากพระเจ้าเรียนรู้คุตอ่านจะได้เอามาปรับปรุงชีวิตของเราแล้วก็มาปรับปรุงสมาชิกครอบครัวของเราและเรียนรู้คุตอ่านจะได้รู้ว่าส่วนใดที่เราสามารถเอาเปนำสเสนอกับคนที่ยังไม่ได้รับรู้สารของ และสิ่งที่ผมพยายามคิดอยู่ตลอดว่าสารของอัลลอฮฺสุบัยนูร์ตะลาทำยังไงให้ทุกคนได้รับรู้คนได้ยินมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเป็นผู้บริจาครายใหญ่ใหญ่ที่สุดของไอเชนเนั้นบริจาคตั้งแต่ก็อตั้ ง, งสถานีข้อพูดกับผมอยู่คำหนึ่งันนะถ้าไม่ผมรู้สึกว่า เราทำอะไรมีเจตนาอย่างนั้คือตั้งมั่นเจตนาให้มันให้มันชัดเจนให้ตรงไปตรงมาแล้วเราจะจะไม่จนปัญญาที่จะพบคนช่วย เขาบอกกับผมว่าผม ด, ดูดูดูทุกช่องนล่ะที่ผมบริจาคให้ไวเนี่ยก็ผมต้องการผมเห็นว่าไวเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่พระธรรมราชของอรรถสุบรรณออกมาตด้ผู้ใหญ่ท่านนี้ในรายใหญ่บริจาคเดือนห น, นึ่งเป็นแสนทุกเดือนนะ คนพวกนี้อยู่ดนในดูอาผมตลอดแต่ผมม่ารู้สึกว่าไม่ใช่ผู้รู้ถึงถึง إ ي ่ ا ن เขาจะแจะวแค่ไหนเนี่ยที่จะเก่งคนเดียวในการเผยแพร่ยังมีคนอีกเยอะที่เขามีความสามารถอย่างอื่นมีจิตใจมีความตั้งใจในการที่จะเผยแพร่สารขององค์พระผูนะ้พันโนอาณา อาจจะมากกว่าผู้รู้ที่ท่องจำคุรอ่านด้วยซ้ำพวกเราก็พยายามที่จะให้มีคำตอบชีวิตของเราเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเพื่อเผยแพร่สารคุณสมาัตรีเมไวเ้เนี่ยครับตอครตอบนีเนี่สำคัญกว่าจะต้องเตรียม พากะฝังของฉันนซื้อมาอเด็กไหนบางคนอ่ห่วงมากเแล้วฉันจะกระฝังจากไหนทายาฉันจะซื้อกระฝันจากไหนจะฝังที่ไหนบางคนโอ้โหถึงขนาดที่สั่งเสียไว้แล้มาฝังเงินตรงนี้นะไก่ไกลป้าไกลมาตรงนี้อยากไปฝังตรงนู้นนะฝังตรงนี้คือคิดอะไรอะไรบางอย่างที่มัน เรื่องฝังเรื่องอะไรนี่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราคือถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอะนะตอนที่เรายังยังไม่ตายเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีหน้าที่ที่จะคิดอะไรหลังตายเราต้องคิดว่าตอนที่เรายังเป็นอยู่เนี่ยต้องมีหน้าที่สมมุติว่าเรารู้ว่าหลังละมาดูรุริเลยเนีย่จะตายแล้วเรายังไม่มีกระฝัดยังไม่มีกูโบ ยังไม่มีน้ำจะอาบน้ำามเ้ยนะทำต้องทำอะไรต้องละมาดก่อนนึกแต่รอไปหาภากฟัแนก่อนคือรู้นะว่าหลังละมาดเลยนะหลังละมาดนี่ตายสมมุตินะน้ำมาก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่าถ้าเราละมาดแล้วนี่มันจะไม่มีน้ำน้ำอาบน้ำามาเยี้ยก็ไม่มีภากระฟนก็ไม่มีกุโบก็ไม่มีตายไปแล้วนี่ อารมบรเบิกฤที่เราจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงเนี่นเะราจัดการไดหลังตายนี่ไม่ใชบุค ล, ลาภเลยหลังตายนี่เราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้มีภารกิจในการที่จะดํารงอะไรสักอย่างนนในชีวิตของเราทั้งนั้นด้วอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเพราะมันมีคําถามแน่นอนเรามีอาชีพแบบไหนเรามีความรู้แบบไหน เรามีทรัพย์สินแค่ไหนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามีเวลาทั้งทั้งหมดเนี่ยใชยส้ส่วนไหนสว่วนใดในการที่จะไปแพ้สาสังคของอัลลอฮฺอินนัฮุมลาออจิซุนแล้วแท้จริงพวกเขาไม่ทาให้อัลลอหมดความสามารถได้หมดความสามารถในการที่จะนำตัวมาเอาผิดนำตัวมาลงโทษ ไม่ม <io> <m any Path french> ีใครที่จะสร้างอุปสรรคกับอัลลอฮซุฮาบาลาได้ใ่บันทึกของบุคอรีท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมบอกว่าการรจูลนหนึ่งในีรยภาษาญี่ปุ่นเรียกลูกๆเขาไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษเรียกลูกมาบอกว่าถ้าท่านตายแล้วเนี่ย เอาเอาสมชั้นเนี่ยไปเผาซะเผาให้เตี้ยงเลยนะเผาให้เหลือแต่กี่เท่าแล้วเอากี่เท่าเนี่ยไปที่ทะเลนะและ้วก็โปรยให้มันกระจายทั่วเลยให้ทุกทุกละองทุลีของของกีเท่ามันปิวไปหมด เพราะถ้าอัลลอฮฺสุภาห์นหัวใจสามารถจับตัวฉันได้อัลลอฮฺจะลงโทษฉันการลงโทษชนิดที่ไม่มีใครถูกลงโทษมากอ่อนท่านมิซูลอฮฺัลลอฮฺซึลลัมอัลลอฮวันเกียร์มาหน้อัลลอฮฺก็จะฟื้นคืนชีพก็จะเรียกทุก ทุกส่วนของละอองธุลีที่มันปิวไปหมดนี่นะจะเรียกมาและนี่คือการฟื้นคืนชีพที่อัลลอฮฺซุนนะัลมาเชื่อว่าวันเกียมมาเนี่ยอัลลอฮจะฟื้นคืนชีพเราจะส่วนจริงของเราอัลลอฮจะไม่สร้างไม่เนรมิตเราขึ้นมาใหม่นะเออก็พวกกาเฟนเนี่ยที่เขาปฏิเสธท่านนบีสุล เอยถ้าคุณน่ะอิจฉาะรูฟัตะเอินน่ะแล้วมาประท้วงทเขาเขาไม่เชื่อบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงเราเราเป็นกระดูกเราเป็นเป็นเป็นบินแล้วอ่ะอาม่าจะเรียกมาได้ไงแสดงว่าเขารู้ว่าไอ้การฟื้นคืนการฟื้นคืนชีพนะมันก็คืออันนี้แหละคือเอาส่วนส่วนจริงๆของเราที่มัน สำหรับคนที่ศรัทธาต่อเาล่ะแล้วก็เชื่อในเดชานุภาพของเราที่มันอันลิมิตมันไร้ขีดจำกัดเพราะถ้าหากว่าคนที่แบบว่าคิดมากหน่อยแล้วก็เรื่องศรัทธาในพระเจ้านี่ยังยังเสื่อมหน่อยยังไงอะยังไงอะบางทีสพเรานี่ไปแล้วไปอยู่กับต้นไม้แล้ว ตนไม้สัตว์มังก็กินสัตว์ใตก็เป็นใช่ไห้ยังไงยังมัขึ้นมาและนี่คือเหตุผลของคนรุ่นก่อนนี้เขาปฏิเสธข้ออ้างของนบีว่าอัลล่าจะฟื้นคืนที่พวกเจะยังไงมันเป็นไปได้ไงยิ่งถ้ามารุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยพวกพวกนักวิทยาศาสตร์ ง่ายอ่ะบางทีเนี่ยสบเราเนี่เป็นพลังงานแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรละ อ, องทุลีที่มันมักเป็นพลังงานไปแล้วเนี่ยพลังงานได้ไงคนที่เขาปัญหาของเขาเนี่ ย, ยเชื่อในวัตถุแล้วก็เขากดเกณฑ์ สมการของวัตถุเนี่ยมาเทียบกันเนาะไม่พ้นไม่มีทางถึงจะอีมานนะก็อีมานก็อีมานแบบลังเลอีมานแบบทั้งมันหให้ให้ให้มันมันไม่ใช่ครับเชื่อเชื่อไปก่อนในเดชานุภาพ ข, ของพระเจ้า คือนบีเสนอบรรดานบีทั้งหลายนี่เสนอกับบรรดามุชยกรีดเนี่ยว่าเป็นไปได้ยัไงไอ้ไกุนลาโมรเป็นกระดูกเป็นอะไรเราละลายไปแล้วในดินแล้วเราถูกฟื้นคืนยังไงนบีเขาเสนอไปแล้วเขาบอกว่าคือผู้ปฏิเสธวนเกียรมาเขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์และเขาเชื่อว่าอัลนี่เป็นผู้สาง าการที่สร้างมาครั้งแรกนี่มันยิ่งใหญ่กว่าไหมละสร้างจากเศษอะไรที่ยังคงเหลืออยู่นี่นะเทียบแล้วกับสร้างเนรมิตจากไม่มีอะไรเลยะนะอันไหนยากกว่าใ น, ในถ้าจะเอาตะ ก, กะอมนุษย์นะเนรมิตคนเนรมิตสรรพสิ่งจะไม่มีอะไรเลย อันนี้นี่ยวันยิ่งใหญ่กว่าถ้าอัลลอฮ์ทได้แล้วเนี่ยแสดงว่าการขึ้นคืนชีพนถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กกว่าไม่ควรที่จะปฏิเสธถ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างฉ้นท่านได้วว่าคนคนเนี้ยที่เขาที่เขาเรียกลูกกันนะคนเนี้ยแต่ถึงแม้ว่าเขา มีข้อสงสัยอิมามอุลิจัยเมียอธิบายฮะดิษเนี่ยบอกว่าคนนี้มีข้อสงสย د د ัยในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพเขาได้ทําไมเขาบอกว่าเผาฉัล้วเอาเอาขีเท่านี่ไปโรยในทะเลเพราะถ้าอัลลอฮ์เนี่ยจับตัวฉันได้แสด ง, สงสว่าเขาสงสัยว่าอัลลอฮ์อาจจะจับตัวไม่ได้แต่อัลลอฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพ ฝืนคืนชีพมามาเป็นตัวแล้วรักระดามาทำอะไรกระดาษอะไรอะไรที่ทำให้เจ้าคิดและทำแบบนี้เขาก็ตอบคาตอบเดียวมาขอฟระเกียรติพระเจ้าที่ข้าพเจ้าทาแบบนี้เนี่ยข้าพเจ้ากลัวท่านยังกรีนอ่านแล้วก็ฟ้าร้อง นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะแต่แต่ขอแว้นิดหนึ่งเพราะมันมีประโยชน์เขาบอกว่าแสดงว่าคุณธรรมบางอย่างความเข้มข้ น, นของมันมันอาจจะลบล้างความบุกรุกบางอย่างแม้ว่ามันอาจจะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ความสงสัยในแชรนว่าอลอเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตีดะใช่สงสัยในคุดรัตน์นี่คุดคุดรัตน์นี่แว่าุดรัตน์นี้อยู่ในอยู่ในสิ่งประุอบุลลยู่ในส่สิหลักของอัลล์น่นี่ตามชรนะแล้วุดรน์ีก็ถือว่า คือว่าเปอเรกเป็นสิ่งที่เาเป็นนสิฟาทคุณลักษณะของอัลลอฮ์เองคุณธรรมคุดรรมเนี่ยเดชานุภความสามารถของอัลลอฮ์สงสัยในคุดรัมของอัลลอ์มันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะแต่มันวิสูดให้เห็นว่าที่เขากลัวอัลลอฮ์ แชนิดที่ทำให้เขาเนี่ยสั่งเสียให้ลูกๆเนี่ยเผาเขาเองเผาตัวเขาเองเนะแสดงว่าความเมียมเกรงตอลอดซึ่งอันนี้เนี่ยไม่อยากีดิดอนี่นี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันนึงว่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำความชั่วทำบาปอะไรเนี่ยเรื่องเล็ก ขอให้อากินะเจ๋วๆเคยได้ยินไหมบาทงทีเนี่ยสอนอะไรสอนคือสอนแบบเป็นกฎเหล็กกว้างๆนี้หลงนะทำให้คนหลงอันนะเฮ้ยทำบาปใหญ่ทำาแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อันตรายมากกว่าได้อากินะอาแล้วก็แบบแบบนี้คนทำซีนากินดอกเบีย้ย เล่นการพา น, น, นันะขโมยลักทรัพย์ทำบาปใหญ่ทุกอย่างแต่อากีดาดุษฎีนวลจะมาแบบนั้นนะไม่ต้องกลัวหรอกไม่เสี่ยงไม่ใช่คำพูดนี้เนะี่ยใช่ถ้าหากว่าเราว่าอากีดาที่ทำไม่ตกศาสนานะนี่นะใช่ความประพฤต ที่ทำให้ตกศาสนานี่มันร้ายแรงกว่าบาปใหญ่ทั้งหมดเลยดันั้นเราจะบอกว่าเออเราไอ้เรื่องอากิได้ที่มันทำให้ตกศาสนาเลยแต่เรื่องความผิดเรื่องอากิไที่ไม่ทำให้ตกศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับบาปบาปที่ไม่เกี่ยวกับบากิได้เสีนเช่น ระหว่างระหว่างคนระหว่างคนที่อากีดาของเขาเนี่ยถูกต้องทุกอย่างยกไปเรื่องเดียวก็คือไปหาหมอดูเชื่อหมอดูแล้วก็อิบาด์ดาของเขาทุกอย่างครบถ้วนศีลธรรมคุณธรรมก็นี่ครบถ้วนอันนี้เนี่ยน่ากลัว ความอตความประพฤติอันเดียวในี่ของอัติและเรื่งเดียวอะนะอาจจะทำให้ความดีของเขาในทั้งหมดเนี่ยมันโมฆะอันนี้น่ยใช่อันนี้เนี่ยนีพูดแบบนี้น่ยใช่แต่เราจะบอกว่าอ๋อคนดีคนดีเชื่อว่าสมมตินนะ คนที่เชื่อว่าบิดามารดาของท่านมบีเป็นชาวสวรรค์อนนีมันผิดอักิดามันผิดเพี้ยนไอ้พวกนี้เนี่ยนะขอถ้ามันเตียมันเลนมันจะเลไนใช้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ที่อนันนี้ไม่ที่เรื่องนี่ทีเรื่องแบบนี้แล้วตัวอย่างนี้ชัดเจนนะคนเนี่ยมีความสงสัยในเรื่องอัลกิด้ เรื่องกุฎรัตน์อันนี้ไม่ทําให้ตกสันนาดูเหมือนว่าคนคนนี้ไม่ใช่ผู้รู้นะคนคนนี้ยไม่ใช่ผู้รู้นะเพราะเรื่องความสงสัยในกุฎรัตของอัลลอฮ์นี่ก็อันนี้นีเชื่มันไม่น่าจะเป็นข้อสงสัยของคนที่มีความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ใช่ไหม ใช่ไม hey um ่ใช่แม้กระทั่งผู้รู้ก็อาจจะตกหลุมนี้เหมือนกันใคระา l า a w a r นน n s a w u k นน n a อี i าสาวกท k a น Nabi Isa นะมีความรู้ปะตดนนนาวกท k a นน a b อส s a r e ย l รู้กับท่าน n a ี i i s ساقع، ساقع هو كله. ا ل ي م ت م بعلم ا ل ق ر ن م ه ب ا ل ق ر ن م ب ل ر ن ه م ا ل ق ه ت م ا ل ن م ب ا ن ه ا ل ق ن ت ب ا ل ر ن ب ا ل ق ر ن ب ا ل ن ه م ا ل ي ر ت ا ر آ ن م ا ق ن ا ل ق ن م م ا ل ق ر ن ا ل ق ر م ا ل ق ن م ا ل ر ب ا ل ر ا ر ن ا ل ن ا ل ر ا ر ن ا ر ن م ه ا ق ر ن ا ق ا ل ا ل ح و ا ر ي و ن ي ا عيسى ب ا ن م مريمى... ب ر ن م ب ر م أ و ك ن ا ا بكر ا هل يستطيع ر ب ن ق و ة ه ل ه ي ت ب ا ن ن س ت ط ي ع ر ب ا ب و ا ت ب ا و ي ط ع ب ا ن ا ن ا ا ن ل ق ا ه ا ا ن ا ن هل يستطيع ر ا ب ه ل ي ع ا ب ل ع ب ا ن ه ع ب ا ق ا ن ا ل هل ت ا ق ا ل ق ا ل ت ق و ا ه ا ل ن ه ن ن ت م م ؤ م ن ي ن ท่านบีอิสานี่ก็เตือนเขาด้วยนะย่าจงเยียมเกรงอัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจที่แท้จริงกล่าูราต้องกาบควมรู้ที่จะไามระได้รับควู่บามร่ะความะับควดคามรูอที่จะวาจดัจะ้าดว่าร่ความราัาะบาะวะาจ ผู้รู้ก็ได้ผู้รู้อย่างฮาวารีก็เป็นไปได้คนเราอ่ะนะคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็บางทีนนก็ตกลุมเรื่องนี้เหมนเรื่องทุกเรื่อง่ะที่มันเป็นไปไม่ได้ในกฎธรรมชาติทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะ ทีเน่ราพอได้ยินเ่เราก็ไม่เชื่อคนคนนี้เป็นมะเร็งคันธิสีแนละ้วขันที่ีนี่เขาก็นับนับวันละหมาจนะจ่างเลยนะนับวันละมาจนา ะ, นะนนะจนาะ่างเลยอยู่ดีๆก็โทรฮู้บางยีบงี่เขาทำถึงแล้วอัลลอฮหายเป็นไม่ได้ไง <laughs> คือแทนที่จะแทนที่คือคน มันในหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วย إ ม م ا ن อัลอฮัมดูลิละอัลลอ์ยิ่งใหญ่จริงๆเออทันทีเลยเป็นเป็นได้ยังไงขั้นที่สีเป็นปได้แสดงว่าเราเราแอบลึกๆีแอบไปเชื่อหรอก่นที่เราคุ้นเคยอ่ะขั้นสี่นี่หายยังไงอยู่ขั้นสี่แล้วเนี่ยเขาซื้อกาแให้กันแล้วฮะบงีหายแล้วเป็นไปได้ยังไง บางทีเนี่ยเราก็ตกลุมเรื่องนี้อาานี่ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้ปฏิสัตที่ก็มีข้อสงสัยในอัลลอ์เลยนะเราบอกว่าอย่าคิดเป็นอันขาวน ด, นดว่าจะหนีพ้นโดนเราจับตัวได้เราเรียกตัวได้ إنهم لا يعجزون ม م ا ي ل ا หมดความสา ม, มารถ ไ, ได้ังจากนี้ Allah s u ว h a n a h u wa t a a l เริ่มอบรมสังคมคือสังคมที่ผ่านศึกเนี่ยมันเหมือนสังคมที่เกิดใหม่เลยนะเหมือนสังคมที่เกิดใหม่ ประเทศไทยทุกครั้งนี้หลังจากที่กู้ชาินะก็เหมือนเหมือนเป็นประเทศใหม่อนะประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็โรคระบาดเนี่ยวิกฤตยิ่งใหญ่พอสมควรนะลองมองอนาคตอนาคตอีกทีนึงดินี่เราสองอีดแล้วนะ ไม่ได้กอดกันไม่ได้มาอัพกันสองอีใช่ปะ่ะอีเล็ก e อีใหญ่อีเล็กเนี่ยเรละมาดละมัดที่นี่มเป็นละครนี่ละมาดซับส ซ, ซับปะ่ะใช่ปะ่ะแล้วก็อีเหญ่ก็ละมาดละมาดเยอะแต่กอดกันปะ่ะก็เออก็มีกำชับก็เออสลามอย่างเดียวนะ อยากอดกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยูปีนี้มันจะเป็นอย่างสมมติสมมติสมมติว่าอีกเล็กเนี่ยเดลฟกเนียทุกอย่างนี้มันกลับเหมือนเดิกลับเหมือนเดิมเรืก็ละมาสละทไม่หมดมาดกันเจอกันบางคนอย้โหบางคนนี่ไม่พอสลไม่พอในสลแล้วก็ดึง ก ด, ดนี่ก็อเออเอเอก็ให้กดไม่กดไม่เบาเบากดเหมือนเหมือนเอาหัวชนหัวเลยเนี่ยโอ้คิดถึงลึกลงเลยน้องกร้องไห้น้ําตาไหลน้ําลายไหลนี่ยก็โหนไปต้องคิดแล้วนะโค้งกูอีกอะไรนี่ใบหมดแล้วแต่ก่อนนันเป็นอย่างงั้นไหมแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างงั้นน่ะน้ําตาไหลน้ําลายหลแล้วลูกจูบกันนั่นเอง มีเมียโคโรนโควิตนะ ม, มีใครคิดหรอกเรื่องนี้จริงเรามองในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้มันกลับเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะนึกถึงอดีตที่เราเนี่ยนั่งกันอย่างเงี้ยมันเหมือนรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นสังคมใหม่ สอนว่ท่านนบีสิาปีอยู่ที่มักกะแบบไหนอะหลบหลบส้อนเดินตอกไหนซอยไหนถนนไหนเนี่ยกลัวกาพิจะขึ้นมาชักดับค่ะอพยกไปอยู่มา ด, ดีน่าเนี่ยก็ยังไม่พ้นความกลัวนะเราแวงว่าดกโคเรชเนี่ยก็จะยกทับนี่มลอมมา ด, ดีน่าเนี่ยสังหารหมู ชนเกิดสงคําบัดลัะชนะและช น, นแะแบบแบบไหนชนะแบบประพิทที่มันไร้ปัจจัยเลยนะไม่มีอะไรเลยอย่ะมุสลิมีนในพันคนมีม้าสามร้อตัวมุสลิมีนมีม้าอยู่สองสามตัวส0 0รอคนคือแบบ ไม่มีไม่มีการไม่มีเทียบไปได้เหมือนเป็นสังคมที่เกิดมาใหม่สังคมแห่งชัยชนะทุกครั้งที่มีนีา่มาที่อย่างสังเกตในคุรานเนี่ยทุกครั้งที่มีเน้า่มาเนี่ยอัลลอฮฺจะส่งขอเตือนแสดงว่าปัญญาชน คนที่มีคุณธรรมเนี่ยอย่าพลาดทุกครั้งที่ได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นี่นะเกิดมาใหม่ในด้านหนึ่งด้านใดอัลลอ์ Allah, ให้มีรายได้ดีให้มีสุขภาพดีเคยป่วยสุดสุขภาพสุดแล้วก็พื้นขึ้นมาทำดุลินและสุขภาพดีขึ้นเคยจนแล้วก็ขึ้นทมดุลินมีรายได้ดีเคยเจอมุซีบ้า โอ้คนโจมตีแล้วก็อยู่นีก็อัลล์ะช่วยเหลือนี่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องค้นหาบทเรียนก่อนก่อนที่จะรออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะส่งบทเรียนมานะเราต้องสานึกสานึกว่าจะต้องมีบทเรียนชัยชนะของสงครม ทำให้มุสลิมีนบางคนเนี่ยเกิดความรู้สึกโอ้โหนี่ถ้าสงครามครั้งแรกแบบนี้นะเราแค่นี้นะศัตรูเราขอนอดนี้นะต่อไปเนี่ยเราไม่ถึงทำอะไรแล้ว الله ا ت كارن هاي مود كا ني عه راونا باب نيه راون ب دون تاب مي دون تام اري ل ي ترحبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم ว่าะทุนฟิกว่ามีชัยในสบิลอัลลอฮิวัฟเฟลย์คุณทั้งที่ไม่ถูกหลมันพวกเจ้าทีเตรียมไว้สำหรับป้องกันคือดูแลมัสตะตาุ้มันสำหรับป้องกันพวกเขาป้องกันพวกเขาไม่ให้รุกรานพวกเจ้าสิ่งที่พวกเจ้าสามารถสามารถเตรียมได้เตรียมไว้ เตรียมไว้สำหรับป้องกันป้องกันพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าสามารถเตรียมได้นะอันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดมิด้นูอัวิอุวตินกำลังอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้กว้างก่อนเตรียมไว้กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดทุกประเภทที่ถือว่าเป็นกำลังกำลังคนกำลังอาวุธกำลัง กำลังความสามารถด้านเศรษฐกิจก็ทุกกำลังต้องเตรียมไว้เพื่อป้องกันป้องกันพวกเขาไม่ให้รุกรานทำไมอ่ะอัลลบอกว่าความสามารถอันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดกูวกูุลมาก็บอกว่ากูว่ากว่าาร กำลังด้านการทหารการทหารจำนวนทหารการฝึกซอ้อมอาวุธประเภทอาวุธทุกชนิดที่สามารถเตรียมได้อันนี้กำลังอย่างกำลังด้านการพอไหมถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้กำลังการทหาร เข้าสงครามหนึ่งอาทิตย์ไม่มีค่าใช้จ่ายสู้ต่อต้องมีกำลังกำลังด้านสศตติจ ก, กำลังที่จะอุดหนุนอุดหนุนกำลังการตา่างใดแก่ผลิตพัธุ์ต่า ง, งอันเป็นสเสบียง อันเป็นสินค้าที่จะสร้างรายได้สร้างรายได้กับพรัส ร, รวมถึงกำลังเ้าเรียกว่ากำลังด้านสังคมเป็นกำลังไว้เป็นกำลังสำคัญถ้าเรามีเศรษฐกิจ ท, ที่ดีมีอาวุธที่ดีมีทหารเยอะ สังคมของเราเนี่แตกแย่สู้รบสงครามทหารตายไปสองพันคนในองแตกแยกเฮ้ยไม่สู้ตายแล้วสู้ตายเฮ้ไม่สู้ตายแล้ตต แ, ลแตกแยกกันล้วจึงต้องมีกําลังนั้นสังคมได้แก่ผู้นําที่เข้มแข็งผู้ตามที่มีวินัยและระบบสังคมที่เข้มงวน นี่คือกำลังของสังคมในประวัติศาสตร์ที่เขาวิเคราะห์สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ฝ่ายแพ้นะต้องขาดกําลังอย่างหนึ่งอย่างใดบางทีเนี่ยกำลังอื่นๆเนี่ยพร้อมอาวุธพร้อมอาหารพร้อมแต่ขาดกําลังใจ มีกำลังใจมีกำลังใจนะกำลังด้านสังคมมีทุกอย่างแต่ขาดอาวุธมีกำลังทุกด้านแต่ขาดกำลังด้านอีมานความศรัทธาต้องขาดกำลังอย่างหนึ่งอย่างต้องมีแลว้วพอเทียบแล้วระหว่างสองฝ่ายเนี่ยจังหวะของการชนะหรือแพ้สองครามเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขของสถานการณ์นั้นนะกำลังไหนที่มันมีความสาคัญมากกว่าไม่มีทุกสงครามที่จะชนะด้วยอาวุธไม่มีทุกสงครามที่จะชนะด้วยการทหารไม่มีทุกสงครามที่จะชนะด้วย กำลังศรัทธามันแล้วแต่จังหวะฉะนั้นเรื่องแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะดาระกำชับเนี่ยให้มีกำลังอย่างนึงอย่างนึ่งเราต้องพร้อมเตรียมได้หมดและจอกจงกำลังที่มีความสำคัญว่ามิรีบัติลไคลตุรีบูเนบีอัลลอฮวะวะ และการผูกมาไว้อันนี ب ب ي ي. م م ้เขาแปลตามทับศัพท์นิดหนึ่งนะเพราะคำว่าไมรีบาติลใครลจงเตรียมกำลังหนึ่งกำลังใดดูผมจะอธิบายให้เนี่เพราะมันมีฮาดีษเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการอธิบายคำว่ากำลังอย่างหนึ่งอย่างไดวไม่รีบาติลใครเลคคำว่ารีบาตเนี่ยรีบาตเนี่ยแปลว่าเชื่อ โดยเฉพาะเชือกที่ผูกมารีบาตันคอยเชือกที่ผูกมาเขาก็เลยแปลแปลตรงนี้บอกว่ า, าและการผูกมาไวแต่ที่จริงเนี่ยโดยสำนวนนะถ้าเราจะแปละนะให้เตรียมกำลังว่าไม่รีบาตันคยแล้วก็เตรียมมาคือตัวม้า เทียบแล้วะนะม้าตรงนี้ในก็หมายถึงพาหนะพาหนะในสงครามนี่เป็นเรื่องสำคัญ้ะพาหนะเนี่ยในมุมกว้างของเราะนะก็คือยุทธณ์ทุกปกรเครื่องบินรถรถบรรทุกาหารรถถังเรือบรรทุกอาวุธบรรทุกาหารทั้งหมดเนี่ยนี่นี่คือนี่คือพาหนะ ทำไม อ, ะอ่ะพราตก่อนนู้นสมัยโบราณนะนะระหว่างกองทัพสองกองทัพเนี่ยกองทัพที่ได้เปรียบมากที่สุดเนี่ยที่ทหารสูงกว่าทหารจะสูงกว่ายัางไงทหารขีม่ม้าทหารขีมข่ม้ารถขี่ม้านี่เห็นแล้วก็ อสเวินคนเดียวที่ขี่ม้านี่ก็สามารถสู้ได้กับทหารเเรียกว่าอะไรทหารภาคินทหารที่เดินเดินเท้าเปล่าเดินเท้าอ่ะ น, นะสู้ได้หลายสิบคนเลยคนเดียวถ้ามีอสเวินคนหนึ่งถือดาบแล้วก็ไปไปสู้กับคนดินเถือนะสู้ได้คนเดียวซึ่งถือว่าเป็นกําลังอาวุธเอาเป็นกําลังอาวุธในยุคนั้นนะ่ะนะที่เขาจะเทียบ ความสามารถของกองทัพด้วยพาหนะที่เขามีทหารไทยกับพม่าเนี่ยตากอนนู้นก็เทียบว่ามาเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเขานับอะไรอะ่ะชาไทยมาช้างกี่ตัวพม่าช้างกี่ตัวออรู้เลย สงครามนี้จะจบยังไงเกณฑช้างกันอ ห, น, หนี่เป็นร้อยเป็นพันตัวใช่ดิีต้ง ใ, ให้ช้างนำหน้านะใช่หให้ช้างนานาทัพอ่ะช้างนาทัพช้างมันก็เลยเป็นเสนาลักษณ์ของของกตมีอะไรมันกู้แผ่นดินได้ไงช้าง มีบุญคุณนะมีบุญคุณกับแผ่นดินใช่ไหมช้างตายทีหนึ่งเขาเขาทำส่วนมนต์อุทิ์ส่วนกุศลด้วนยนะช้างตายเ น, นี่ย้องมีอราวัาด้วยนี่นี่เป็นเป็นความเพราะเพราะความผูกพันไงผูกพันแบบผานะอย่างหนึ่งที่ที่มันมันสร้างชัยชนะ ให้เราประเทศชาติให้รเรา่ริงจริงปัจจุบัน ล, ละอ่าปัจจุบัน ล, ละช้างก็ยังสำคัญนะช้างราได้กับท่องเที่ยวเหมือนกันนะแต่อย่าไปสู้อย่าไปสู้รบกับหนากับช้างเลยเพราะโดนนี้โดนตัวนี้ <c oughs> โดนแค่นี้มันฆ่าช้างไม่รู้กี่สิบตัว هنا نيجو بنتي ل ي ه و القوة. نأياني الله الله وهو كملان ي ع ن يانع لي قوة كمل ق و قوة بيقملان. مان في حديث ابن ا ج ن د ن ب ي صلى الله عليه وسلم. اسمع نتدي يا أحمد. ألا إن القوة ل ر م ي แท้จริงกําลังที่แท้จริงเนี่ยอะไรพึงทราบเถิดแท้จริงกําลังที่แท้จริงที่มีประโยชน์จริงคืออา ร, รม์อยู่อา ร, รมอยู่ก็คือการยิงยิงในสมัยนู้นน่ะได้แก่ธนูและหอกสองย่างที่มันเป็นวัทที่มันเป็นอาวุธ ดังเดิมอ่ะนะที่สามารถสังหารแล้วก็ฆ่าศัตรูทางไกลก็มีแค่สองอย่างมีหอกอันนี้ระยะสั้นหน่อยใช่ไหมสองก็คือธนูธนูนี่อันนี้ถ้าแม่นยิงก็ บ, บางทีก็เป็นกิโลเลยอ่ะอยิงที่หนึ่ง และมาก็ขัดแย้งกันว่าที่อัลลอฮ์บอกว่ากําลังอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ถัดมาก็ระบุเจาะจงเจาะจงเรื่องม้าก็แสดงว่ากําลังที่สําคัญที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงกําลังทั่วไปแล้วก็เจาะจงม้าแสดงว่ากําลังที่สําคัญของทหารเนี่ยก็คือก็คือม้าหมายถึงผาหันะ อิหม่าลิขคนเดียวบอกว่ากําลังอันนี้ในเชิงหลักฐานนะอิหม่าลิขให้ความให้น้ําหนักว่าอัลลอฮ์ให้ความสําคัญกับเรื่องผานะะก็คือเรื่องกำลังกำลังผานะะขี่ของทหารเนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าแต่ทัศน์อุลามาส่วนมากเนื่องจากฮะดีษบอกนี้ซึ่งเป็นฮะดีษของอัลัอัมาฮ์อัลละอินนัลกูวาอัลรัม ที่จริงเนี่ยว่าในอายะนี้มีสองกำลังสองอย่างอย่างแรกนี่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดกำลังที่แท้จริงนี่ก็คือการยิงยิงอะไรกันธนูนี่แหละในสงครามบัดรูฮุดนี่ผมผมนี่ยจำจำจำอมอเมนฮะดีษท่านนบีสุลัลลละิุสซาลลัมเนี่ยบอกว่ า, วาอิรูเบนีอิสมาอิล โอ้ลูกหลานนบีอิสมาอีลอรมูจงยิงเธอ์ฟะอินนบ้าคุมกานรามีอาเทจิ่งบิดาของท่านเนี่ยเป็นนักยิงคือนักยิงธนูอินน้าบาคุณานรามีอาฮดิสหลายมทที่ท่านนบีสุลตารละซาเลมพูดถึงความประเสริฐในการในการที่จะฝึกซ้อมเรียนรู้ศิลปะ แต่ในฝั่งตรงข้ามอิมามมาลิก็บอกว่ า, า, าก็มีฮะดีษมากมายเหมือนกันพูดถึงความประเสริฐในการเลี้ยงม้าเพื่อเตรียมไว้สรุซึ่งมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งเป็นฮะดีษที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็เป็นฮะดีษที่ พี่น้องก็อาจจะแปลกใจนิดหนึ่งแต่มันเป็นฮะดีษที่สุเฮีแลวก็เป็นฮะดีซีมามาลิกได้อ่านว่านี่คือหลักฐานว่ากำลังที่สำคัญเนี่ยคือกำลังกำลังพานะช่ะนั้นแทบทุกทหารเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขายัางอนุรักษ์กันทหารมา م ن الحديث ن ي بنتي د و ي ب ن ا ي ب ن ت ن ت بنتي ي بنتي ب ن ت ب ن ت بنتي ا ن ي ب ن ي ي ي ب ن ب ن ي ن ي ن ي ب ي ب ن ت ن ت ي ب ي ب ي ن ت ب و ذر ا ل غ ف ا ر ي وهو قائم ع ن د فرس له ين قيمعتوني من ق ا م فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فسأله ت ا م معاوية بن ت ب ع ي ن ت ا م أبو زر سأله ت ا م د ا ما تعالج من فرسك هذا؟ ت ا م أريك معدني ยืนทอะไรอยู่กมาวนี no ้ฝกอับูดาร์กเลยบอกว่าอนนีอัุนฉันเนี่ยเชื่อเชื่ออัน هذا الفرس وما ت ن ي قد استجيب له دعوته อัลลอฮฺตอบรับดูอาของมันแล้วฟังไม่ผิดอลลตอบรับดุอาของมันแล้ว ถ้าเป็นคนไทยในเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดี๋ยนี้สัพนามนมันเละทุ่งเบ้ไปหมดแล้วสัพนามสัพนามสัตว์นี่ก็เขาใช้สัพนาคนไปหมดแล้ว อ, อ่ีเลี้ยงมาเลี้ยงหมูนี่เขาอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอะไรกับเขาแต่นี้เราพูดตามภาษานะอ่านี่ขนาดม้านี่มันขอรูอานะกัะดิสตูจีเบลหูาดาวัตุหู Allah ตอบรับด ع อามันแล้วกลาวว่มา دعاء เบหีมที่มีในเบหีมโม عوية นี่เป็นตบอีน่ะซมาน์เปนปุ๊บตบอีนะเดรชานี่มันจะดูอะไรนี่มแปลกใจเดรชานี่มันจะดูอะไรของเดรชาเน่ยกล่าลว่าีนั่นสบียดีนี่เป็นคาสาบาน ขอสาบานผู้ที่วิญญาณของฉันอยู่ที่ประหารของพระองค์นี่เป็นสํานวนสาบานนะแม่มิ็นฟร์ซิมอิลาอูฮะดูรุคุลลซารไม่มีม้าตัวนิ่งตัวใดเว้นแต่ช่วงซารช่วงหนึ่งช่วงสาฮัช่วงหนึ่งช่วงที่อัลลอฮตอบรับด้วยเว้นแต่มันขอด้อยเฟย์กูลุมายมันจะพูดว่าอัลลอฮ์หมม อันทั่ววัี่ عبد ์หน عباد ิค์พระองค์ท่านให้ฉันอยู่ภายใต้อานาจของบ่าวของพระองค์คนคนหนึ่งว่าจะเอาแต่ริสกีเบียดีและให้ริสกีของเขาเนี่ยริสกีของฉันเนี่ยอยู่กับมือของเขากระหมายมที่เขาเลี้ยงฉันริสกีของม้าเนี่ยม้าเนี่ยบอกว่าริสกีของฉั้นน่ยอยู่กับมือของบ่าวของพระองค์ของเจ้าของฉัน ฟ้าจ عل นี่อับเบอ إليه จากอัลลีฮฺว่ามัลีว่าดิข้าวให้ชันเนี่ยเป็นที่รักอิ่งสําหรับเขามากกว่าครอบครัวของเขามากกว่าทรัพย์สินของเขามากกว่าลูกของเขามาทุกตัวนี่นะขอดุอาให้เจ้าของมันเนี่ยรักมันน่ะมากกว่าครอบครัวมากกว่าเมียมากกว่าลูกมากกว่าทรัพย์สินซึ่งในสำนวนฮานิสอื่นเนี่ยคันดะบิสซาลลอฮฺซันละบอกว่า ไม่มีม้าอาหรับแต่ตรงนี้ในอุลามาเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะม้าอาหรับเพราะอาหรับเนี่ยเขาไม่เคยเห็นม้าสายพันธุ์อื่นนอกจากม้าอาหรับเขาก็ียกเรียกว่าม้าม้าทุกตัวแหละอิลลายุออิลล่ายอัลลิลูละห์มากุลฟะจินยดอบดะวดัยวนที่กับอาจะน์ฟะจทุกอาจนเนี่ยจะดูอาสองดุอายกู اللهم إنك خولتني و ن خ و ل ت ن ي من بن آدم فجعل لي من أحب آله وماله لي. ه ن من د ع ا ء من هنا. أو الله، พระอ تان، ใ ح ้ฉัเนี่ยอยู่ภายใ้อ ا ن ของลูกหลาน آدم คนคนหนึ่งขอให้ฉันเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าครอบครัวของเขาและทรัพย์สินของเขา ن ت م د إمام ا ن س ا ي تاني ب ن د ك و إمام بخاري المسلمني ع ن ّ هذه صينان عند النبي صلى الله عليه وآل خيل م ع ق و د فينا ص ي ه ا الخير إلى يوم القيامة. قامديّة يوّجع شيء مات طوال. كان ينكيّم. قامديّة. نّي كي حدّثتني. การยิงถนูแต่สตีโอเลมาสันว่าเขาบอกว่าการยิงธนูนี่สําคัญกว่าทีนี้เราจะมาเข้าใจว่ากำลังในในยะที่ถูกระบุในอายะนี้อัลลอฮ์พูดถึงกําลังทั่วไปคือกลัวกลัวนี่กำลังอย่างนี้แล้วก็เจาะจงถึงมาเราจะมาเปรียบเทียบหรือมองถึงกําลังในยุคปัจจุบัน ยังไงเราจะใช้เหตุผลอะไรเราจะมีบทวิเคราะห์ยังไงที่จะเข้าใจอายานีว่าเป็นหลักฐานชัดเจนให้สังคมมุสลิมต้องเตรียมกำลังความสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากภัยของศัตรูทุกชนิด เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่เวลามันไม่พอแล้วนะครับก็ ค, คงต้องยุกยอดไปคราวหนะ้า